ธรรมชาดกแผ่นที่สองลำดับที่สามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบสี่มีนาคม2554มีชื่อเรื่องว่าจดหมายเตือนจากย ม, มทูต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 ขยะวยะธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันสลดใจของพี่น้องลูกหลานที่คุณย่าคุณยายได้จากไปคุณย่าคุณยายที่อยู่กับพวกเรามา เป็นระยะเวลายาวนานอายุของท่านก็86ปีแต่ถ้าจะว่าไปแล้วก็อายุ86ปีก็ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยแต่ค่อนไปทางมาก ต, ตามหลักในทมคำสอนเขาว่าขณะนี้เวลานี้อายุ75ปีเป็นอายุไข แต่คุณยายคุณย่าน้อยของเราอายุ86ปีแปบลบว่าได้กำไรไปหลายปีทีเดียวแต่ถึงอย่างไงถึงจะมากมายหลายปีแต่ลูกหลานญาติพี่น้องก็ไม่อยากจะให้จากไปแต่ด้วยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาประจำอยู่ในโลกจะไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ คุณยา่าคุณย่าน้อยของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นท่านก็ไม่หลีหลีคลีหนีไปพ้เหมือนกันถึงท่านจะไปก่อนแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เรืยกันทั้งหมดเนี่ยก็จะเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนไปหลังแต่บางคนก็บอกว่าคนนั้นอายุแก่กว่า คงจะไปก่อนก็ไม่แน่ทีเดียวบางทีคนอายุนุ่มไปก่อนก็มีอายุแกก็ยังไม่ไปก็มีแต่ถึงยังไงแกหรืออ่อนก็ไปด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายได้อันนี้คือกฎอนิจจงคือความเที่ยงแท้แน่นอนที่สุดคือความตายาความตายเนี่เป็นอันเป็นนิจจง แต่อย่างอื่นเนี่ยเป็นอนิจจังของไม่เทีย่ยนแต่ความตายนี่เป็นนิจจังเป็นของเทียงแท้แน่นอนเกิดมาเท่าไหร่มากน้อยไม่รู้อยู่ขั้วโลกไหนอยู่ที่ไหนแปลว่าถึงจุดจบด้วยกันหมดทั้งสิน้นคุณย่าน้อยของเราก็เหมือนกันแต่ก็เป็นที่ภาคภูมิใจคุณย่าของพวกเรา เป็นผู้ไฟในการกุศลคือตระกูลของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วที่หลวงพ่อได้สืบสอบดูประวัติทางคุณย่าใหญ่ของเราคือคุณแม่ของท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนุ่นติดตามหลวงปู่มั่นไปถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ท่านก็พาลูกหลานของท่านนับถือปฏิปทาหรือว่าครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น มาโดยสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคุณโยมของเราเนี่ยที่เป็นน้องๆของท่านหรือเป็นตระกูลของท่านโดยมากมีตนับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นยึดเป็นชีวิตจิตใจจริงๆถือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบัว ลวงปู่เหลียญล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเพราะนั้นลูกหลานควรจะยึดแนวแถวที่ปู่ย่าตายายของพวกเราพายึดถือปฏิบัติเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราเราดูมานานเราดูมานานคบกันมานานโดยมากไม่มี เลี่ยเลี่ยมไม่มีอะไรตรงไปตรงมาเป็นผู้มุ่งมั่นปฏิบัติศีลธรรมจริงๆจังตั้งแต่หลวงปู่มั่นตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปูเ่เทศตลงตามหาบัวล้วนแล้วจะเป็นผู้ปฏิบัติตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นเมื่อท่านได้หลวงรับไปอธิธษฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้ได้พวกเราได้ กราบไหว้สักการะบูชาเราจึงมั่นใจว่าสายของพ่อแม่ครูบาาจารย์หลวงปู่มั่นเป็นสายอริยะถ้าว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติแล้วผู้นั้นก็จะถึงมรรคผลนิพพานเก่งเนีวยพราะนั้นตระกูลของเราที่เป็นวงศาคณาญาติจึงได้นับถือ ปฏิปทาหรือว่าสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นมาโดยตลอดมาถึงยุคนี้สมัยนี้ก็นั้นขอให้ลูกหลานทุกคนให้ยึดแนวแถวที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเดินมาถูกทางแล้วนะหลวงพ่อว่านะอย่างหลวงพ่อนี่ก็เหมือนกันอยู่ทางจังหวัดมุกดาหารหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นก็ไปอยู่ที่แถบน้องสูงคำชะอี คนปู่ของหลวงพ่อคนย่าของหลวงพ่อเนี่ยก็นับถือปฏิบัติหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจนถึงมาถึงโยมพ่อโยมแม่ก็มานับถือหลวงตามหาบัวนับถือหลวงปูล่ลานับถือมาแต่น้หลงญาติพี่น้องของหลวงพ่อเหมือนกันพี่พี่น้องๆก็นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วจากนั้นก็ไม่ใช่นับถือเฉยเฉยนะพวกเราได้นำมาประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วย เราจึงเชื่อมั่นเมื่อเราปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจเพราะนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยท่านปฏิบัติตรงปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนน่ ให้ปฏิบัติตามแล้วพวกเราจะประสบความสุขความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจในหลักของพระพุทธศาสนาที่นี่มาพูดถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นเนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความเกิดความแก่ความตายท่านจึงหนีออกจากเบียงเบนพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองอยู่กรุงกบินลพัดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน อายุ29ปีแต่ทำไมพระพุทธเจ้าของเรามีความสุข อ, อยู่ด้เวียงอยู่เวียงวังมีบริษัทบริวารห้อมร้อมเป็นพระเจ้าแผ่นดินทำไมจึงหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าดงพงไัยอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วพระพุทธเจ้าเห็นยังไงในใจของพระพุทธเจ้าพระเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นความแก่ คนเราเกิดมาแล้วแก่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแล้วคนแก่ความแก่ของคนพอแก่แล้วพวกเราก็ปฏิคิดอะไรแต่พระพุทธเจ้ามีความหมายพอเห็นคนแก่โอ้คนแก่แล้วจะหาความสุขได้ยังไงพอแก่แล้วก็ต่อไปก็เจ็บไข้ได้ป่วยพอในสุดก็ตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เราคนหนึ่งอีกเหมือนกันก็จะต้องตายเหมือนกับคนทั้งหลายเพราะนั้นพระพุทธองค์มาคิดถึงความตายของพระองค์ พระ อ, องค์จึงหาวิธีที่ว่าจะทํายังไงจะไม่ตายเพราะฉะนั้นท่านจึงได้หนีออกจากเวียงวังไปเสาะแสวงหาทางไม่ตายจากนั้นท่านจึงได้หนีออกไปอยู่ในป่าดงพงภัยถึงหปีไปค้นคว้าศึกษาเหมือนกับหลวงปูเ่เสาหลวงปูม่มันของพวกเราเนี่ยตะพายบาดแบกโกดเข้าไปอยู่ในป่าดงพงภัยไปไปเสาะแสวงหาไปภาวนาหาทางพ้นทุกข์ ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็ออกไปเป็นบรมครูเป็นผู้พาสแสวงหาเหมือนกันท่านไปอยู่ในป่าถึง6ปีค้นคว้าศึกษาศึกษาค้นคว้าอดภักยาหารอดอาหารถึง49วันก็อดอดลมก็อดกั้นลมก็อดทุกอย่างพระพองค์ทหมดเพราะพระพธองค์เป็นเป็นผู้นำก่อนเป็นผู้นำประพฤติธปฏธิบัติก่อน จากนั้นวันที่ท่านได้ตัดรู้ธรรมคือวันเดือนหกเพนวันนั้นวันเดือนหนกเพนพระองค์นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นพระ อ, องค์ก็กําหนดลมหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อพระ อ, องค์จิตของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะ เกิดชาญพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้เรียกว่าปุเพนวาสานุจติยานรละลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมลูกหลานอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูนยะตายแล้วเกิดอีกอย่างคุณยา่าคุณยายของพวกเราเนี่ยนะถ้าหากว่าท่านยังไม่หมดกิเลสท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านออกจากร่างนี้ท่านก็จ้องไปเกิดเป็นปฏิสนธิในภพภูมิต่ตางๆ ถ้าหากว่าพวกเราพ้นทุกไปแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านพระอรหันต์ท่านพ้นทุกไปแล้วท่านจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดแต่ถ้าห ว, ว่ายังมีกี่เลตอยู่เราต้องมาเวียนไหวตายเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะเวียนไหวตายเกิดเนี่ยเราควรจะสะแสวงหาสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาท นี่อันนี้แหละหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เราว่าจุตูปปาตาญานเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนพระพุทธองค์ได้ตัดสรุปธรรมว่าจุตูปปาตาญาณการจุติของสรรพสัตว์คนเราเกิดมามาเกิดมาชาตินี้ทําไมไม่เหมือนกันทําไมคนหนึ่งทุกคนหนึ่งจนคนหนึ่งหูหนวกตาบอดคนหนึ่งมีสติปัญญาทําไมไม่เหมือนกันพระพุทธองค์บอกว่ากรรมกรรมในอดีตพามาเกิด ถ้าเขาทำกรรมไม่ดีไว้มาเกิดพบนี้ชาตินี้มาเกิดในสิ่งที่ไม่ดีเกิดมาก็เป็นคนทุกคนยากลำบากเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นไปได้ทั้งหมดกรรมชั่วพามาเกิดแต่ถ้าว่ากรรมดีพามาเกิดในสั่งสมคุณงามความดีไว้ในอดีตชาติในชาติที่แล้วเมื่อได้ทำมาแล้วเมื่อเกิดมาชาตินี้ก็เกิดมาเป็นคนดีทาอะไรก็ราบรื่นไปหมด ชีวิตก็มีความสุขเพราะเอลายเพราะบุญพามาเกิดเพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราสั่งสมแต่คุณงามความดีอย่าไปทำกรรมที่มันไม่ดีอย่าไปทำกรรมชั่วถ้าทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะตามสนองพาไปเกิดในภพภูมิต่ตางๆมีแต่ความทุกข์อย่างพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอากตังลุ ก, กตังเสยโยปัชาตะปฏิลู ก, กตัง กรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทำแล้วย่อมให้ผลเป็นทุกข์เมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราทำกรรมที่ไม่ดีแล้วกรรมชั่วจะให้ผลเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทำแต่คุณงามความดีเพราะชีวิตของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าอนิจาวตสังขาราสังขารทางหลายเป็นของไม่เที่ยงเออ เกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายในที่สุดไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้ทุกคนต้องตายอันนี้ไม่ได้เอาความตายมาขู่กันเอาความจริงมาพูดให้กันฟังฮะให้พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าเราเกิดมาแล้วเป็นยังไงต่อไปจุดจบของชีวิตของเราคืออะไรเพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเน่ว่าขยะวยธรรมมาสร้างฆ่าราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอัปมาเดนะสัมปาเดทาติพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานในวันเดือนหกเน่นที่เมืองกุศินาราที่พระองค์จะปรินิพานพระพุทธองค์สั่งเป็นคําพูดวาจาครั้งสุดท้ายว่าขยะวยธรรมมาสังฆ่าราอัปมาเดนะสัมปาเดทาติ สังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงนะพวกท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่กล่าวอะไรอีกต่อไปเพราะเหตุใดเพราะพระพองค์บอกว่าสังขารไม่เที่ยงขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนไกลๆกๆก็ว่าการทํามาหาเลี้ยงชีพจะตั้งอยู่ในความประมาทให้มันขยันในการทำมหาเลี้ยงชีพ แล้วก็พร้อมกันเมื่อทำมาหาเลี้ยงชีพได้แล้วก็ให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ช่วยกัน อ, อย่าดูได้อ น, นี้แหะคือประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเมื่อเราได้สั่งสมคุณงามความดีทั้งตนและทั้งผู้อื่นชีวิตของเราก็จะมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขบุญกุศลจะเข้าเพื่อกุลหนุนพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะัทาญาติโยมทุกคน ที่ท่านเขาเขียนเขาเขาเตือนเอาไว้หลวงพ่อฟังฟังดูเป็นคาพูดของอพี่น้องชาวจีนนะเขาเขียนแต่หลวงพ่อมาฟังนะเอเอเป็นน่าคิดน่าจะมาขยายผลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายฟังมีตาแก่คนหนึ่งอายุเจสิกว่าปีอยอายุเจดสกว่าปีตาตาแก่ตายแบบปุบ ป, ปับหัวใจวายตาย พอตายไปแล้วทีนี้เ อ, อยมมาโทษเขาก็เอาทหารมาเอาไปใช่ไหมล่ะเอาทหารมาล็อกแขนไปเลยไปหายมมาโทษพอไปตะแก่ก็ไปแบบไม่ได้คิดในอ่านไปแบบปุบ ป, ปับพอไปเห็นยมมาโทก็โมหให้โยมมาโทษว่าทําไมเอาข้ามาโดยที่ไม่ได้บอกได้กล่าวล่วงหน้าไว้ก่อนทําไมเอามาแบบปุบ ป, ปับอย่างนี้พอไปเห็นหน้ายมมาโทษพอเห็นหน้าเท่านั้นะ ตะแกะกับตะบันเสียงใส่เลยเหมือนกันเลยยมมาโทษท่านทำกับผมอย่างนี้ไม่เป็นธรรมเลยนะเออทำไมเอามาเอาผมมาทำไมไม่บอกผมก่อนอย่างน้อยต้องบอกผมก่อนที่ว่าเอจะเอาไปแล้วนะเออผมก็จะได้เตรียมพินัยงพินัยกรรมก็จะได้มอบหมายให้แกคู่คนลูกหลานญาติพี่น้องอมอบหมายสิ่งของให้เขา อันนี้เอาผมมาแบบนี้แสดงว่าทํากับผมไม่เป็นธรรมเลยแต่แก่แตพอเห็นหน้ายอมมาทูดนะแต่กแกตะบันเสียงใส่แต่ยอมมาทูดเขาก็ตอบโต๊ะใส่เปี้ยงเลยเอ๋ออันนี้ไม่ใช่เมืองมนุษย์นะอันนี้เป็นปัลโลกนะปัลลโลกนะจําไว้นะทําไมจึงว่าเราไม่สื่เตือนทําไมหาว่าเราไม่สอนทําไมหาว่าเราไม่บอกเราบอกปาจนพอแรงแล้ว แต่ตะแกะดื้อด้านใช่เองไม่ยอมฟังตะแกะเขาว่าท่านพูดอย่างนี้ได้ยังไงท่านไม่เคยเตือนผมเลยเไม่บอกเคยบอกผมเลยบอกผมที่ไหนไมเ่เคยเห็นบอกไปปุบ ป, ปรับก็เอาผมมาเลยอย่างเนี้ยยมมาทูดก็เลยบอกว่าเอาเถอะเราเคยเตือนมาหลายครั้งเมื่ออายุเท่าไหร่เจ้าน่ใช้แว่นตาเมื่ออายุเท่าไหร่ อายุสี่สิบกว่าปีครับนั่นแหละเตือนไปแล้วจดหมายฉบับที่หนึ่ง เ, เตือนไปแล้วแต่ก็ยังไม่ฟังยังหาแฟนมาใส่อีกแล้วเมื่อผมขาวอายุเท่าไหร่ผมหงอกอายุเท่าไหร่ประมาณห้าสิบกว่าปีครับผมหงอกนั่นแหละจดหมายฉบับที่สองอแล้วฟันหลุดละ่ะอายุเท่าไหร่ประมาณห้าสิบห้าปีครับเออนั่นแหละ จดหมายฉบับที่สามเล่าเตือนมาเป็นระยะระยะแต่พอเตือนทางสายตาก็หาแว่นมาใส่พอมาผมงอกเก้าสีมาย้อมพอฟันหลุดหาฟันมาใส่แทนไม่ยอมแก่ไม่ยอมรับฟังคำเตือนเลยนี่แหละเตือนมาหลายครั้งแล้วยบ ม, มาทูดเขาสอนนะเพราะนั้นพวกเราฟังโดยที่ว่ายบ ม, มาทูดเตือนเราเนะี่ย เตือนมาหลายอย่างแล้วนะเพราะนั้นพวกเราเป็นยังไงอยอมมาทูตเตือนให้พวกเราฟังเอาไว้นะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถ้าว่าพวกเราไม่ฟังยมมาทูตนะ อ, อีกสักวันหนึ่งย ม, มทูดจะเอาไปปรับปรับอย่าหาว่าเขาไม่บอกไม่กล่าวไม่ได้นะจากนั้นเขากเอ า, เอาเอาเถอะเราเตือนมาหลายครั้งแล้วไม่ยอมฟังมีแต่ดันทุลัง มีแต่ทํามาค้าขายมีแต่จะเอาจะเอาจะเอาอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตายไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีอะไรเอาไว้เลยไปทหารโยมโทษเอาไปลงกระทะสะักเผาให้เข็ดยอมมโทษก็เลยเอาตาแก่นะั้นลงไปลงกระทะเผาให้เข็ดไม่รู้จะได้ขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันแต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเท่เนี่อยู่ข้างๆไปด้วยกันกับตาแก่นะ ยมมาโทษครับไอ้ท่านเตือนคนลงที่เมื่เกเนเตือนตาฝ้าตาฟังผมผักขาวฟันหลุดหูตึงหนังเหี่ยวนียมมาโทษเตือนจริงแต่ผมเนี่ยอายุเพียง22ปีท่านยังไม่ได้เตือนเลยท่านก็เอาผมมาแล้วแสดงว่าท่านทำกับผมไม่เป็นธรรมไอหนุ่มคนนี้เลย คล้ายๆกว่าโยมมาโทไม่ได้เตือนอย่างที่ที่เขาบอกแต่โยมมาโทเขาบอกว่าเราเตือนไม่ใช่ว่าเตือนอย่างเดียวเราเตือนมาหลายๆแนวทาง เ, เธอมีเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมอายุเท่าไหร่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เพื่อนรักกันที่ตายไปก่อนอายุเท่าไหร่อายุยี่สบสอปีครับเขาทําำไมยังตายเพราะไตวายครับแล้วเธอล่ะผมเป็นโรคปอดครับ ผมเป็นโรคปอดเป็นวานโรคครับตายข้าวนี่นั่นแหละที่เราเตือนข่าวก่อนเป็นเพื่อนกันอายุ20สิบกว่าปีก็ตายไปเราเตือนแล้วเกิดมาแล้วต้องตายแต่เจ้าก็ยังลุ่มหลงอยู่คิดว่าตัวเองจะไม่ตายจะว่าเราไม่เตือนได้อย่างไรคนอื่นคนอื่นตายกันน่าจะน้อมมาหาตัวเองว่าอีกสักวันหนึ่งข้าจะข้าไปเจ้าจะต้องตายอย่างที่เขา ไม่มีใครที่จะหลีกลี่นี้ไปได้เขาไปเจ้าต้องสั่งสมคุณงามความดีต้องสั่งสมบุญกุศลมันจึงจะถูกอันนี้เราเจ้ายังสนุกสนานเพิดเพลินไปอีกเ อ, เอาเ อ, เอาเถอะเจ้ายังอายุนั่น้อยหนุ่มอยู่ยังไม่ได้ทำบาปกล้มอะไรหมากมายนักหนาะไปไปหาเกิดซะต่อไปอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะนย์ยมมาโทษเขาให้ให้อภัยโทษให้ชายหนุ่มคนนั้นไปหาเกิดใหม่เนี่ยแะ ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะอันนี้เป็นคติคติที่สอนพวกเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราพวกเราเกิดมาทุกคนนะยมบรทูดเขาเขียนวีซ่าให้หมดนะนะเขาเขียนวีซ่าให้พวกเราแล้วนางนั้นนายนี้ไปเกิดเอาไปไปสร้างสงสั่งสมคุณงามความดีนะไปสร้างบุญสร้างกุศลนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะ พอวันดีคืนดีมาเขากดส่งวีซ่ามาให้แล้วจะไง เ, เ, <ๆ>เขาก็ส่งวีซ่ามาให้พวกเราพวกเราก็ได้รับน่ยอย่างคุณยายเนี่ยท่านได้รับวีซ่าแล้วนะอพอได้รับวีซานะ่าเนี่ยยมมาทูดเขาส่งวีซ่ามาให้ท่านก็ต้องกลับต่างประเทศของท่านกลับแล้วงั้นกลับบ้านเก่าของท่านกลับต่างประเทศพวกเราอีกไม่านก็ส่งขึ้นเมนนะเนี่ยจากนั้นก็ยายก็ไปตาม เรื่องของยายล่ะ ว, วิญญาณก็ไปตามบุญตามกุศลของยายที่ได้ทําแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจไหว่ายุ่ยายของเราเนี่เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลมาโดยตลอดเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลภาวนามาโดยตลอดเป็นผู้มุ่งมั่นในศีลในธรรมเป็นผู้เข้มแข็งนะฟังฟังดูคุณยายของเราเนี่ยเป็นผู้เข้มแข็งอย่างมากที่พงพ่อ เมื่อหลวงพ่ออยู่บ้านตาดเมื่อกี้เนี่ยไปเฝ้าองค์หลวงตาคุณยายเนี่ยกับลูกๆยังมากราบหลวงพ่ออยู่ที่กุฏิวัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อยังได้เตือนคุณยายอยู่นะเออคุณยายนะั้งใจภาวนานะให้เข้มแข็งนะอะไรจะเกิดมันต้องเกิด เ, ออเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ให้ตายได้ยังไง อ, อ, อะไรจะเกิดมันต้องเกิดแต่ให้อย่าประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้ให้ไหวพระสวดมนต์ภาวนาเอาไว้ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทคุณยายกับสาธุนะจากนั้นไม่นานไม่ถึงเดือนสองเดือนคุณยายก็ไปแบบปุบปับอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นนี่แหละนี่แหละชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะครับนะาญาัติโยมลูกหลานเพราะนั้นการพูดการแสดงธรรมในวันนี้ที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธพาสิทธวานิจาวัตสังคาราและขยะวยธรรมมาสร้างขาราที่หลวงพ่อได้แปล และอธิบายให้ฟังแล้วก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติการแสดงธรรมด้วยอำนาจขุนภาษีรัตนนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและก็ บ, บุญบา ร, รมีของคุณย่าคุณยายน้อยของพวกเราได้สั่งสมบุญมาแล้วขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทำแล้วนั้น เป็นปัจจัยเกื้อกูลหนุนท่านและก็พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญทาบุญทำ ท, ทานด้วยการส่งพลังทางจิตด้านทางด้านจิตใจก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณยายของพวกเราไปสู่สุขติท่านปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปราถนาพวกเราก็เช่นเดียวกัน พวกเราอยู่เบื้องหลังลูกหลานด้วยบุญบารมีของคุณย่าคุณยายของพวกเราท่านได้สั่งสมมาก็ขอให้มาคุ้มครองลูกหลานทุกคู่ทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดขอให้สมหวังดังปราถนานการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติเอวังก็มีด้วยปกาละชนี